อีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากามคุณคำนี้แม้คนไทยก็พูดรู้จักกันมากกามคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายทำไมจึงเรียกว่ากามคุณ เพราะกรารมที่น่ารักใครวัตถุกรารมที่น่ารักใครปรารถนาพอใจทั้งปวงเหล่านี้ก็มีคุณอยู่คือทำให้เกิดความสุขโสมนัสได้อยู่ เพราะว่าส่วนที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมีอยู่เป็นที่ตั้งของสุขของโสมนัตทำให้เกิดสุขทำให้เกิดโสมนัตมีอยู่คือแปลว่ามีคุณอยู่เพราะมีคุณอยู่ ดังนี้จึงทำให้รักทำให้ใคร่ทำให้ปรารถนาทำให้ต้องการถ้าไม่มีคุณก็จะไม่ทำให้รักใครปรารถนาต้องการเพราะฉะนั้นจึงเรียกส่วนที่ น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเหล่านี้ว่าการมะคุณก็คือวัตถุ ก, กามทั้งค่านั่นเองอันเป็นส่วนที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นกามคุณและเพราะกามมีคุณเป็นที่ตั้งของสุคสมนัตดังกล่าวสามัญชนทั้งปวง จึงได้หลงติดอยู่ยากที่จะหลุดพ้นยากที่จะปล่อยได้และจึงท่องเที่ยวไปในกามคุณ สวงหากรรมคุณเหล่านี้กันอยู่เป็นประจำและโดยเฉพาะกรรมคุณนี้อันเป็นที่ตั้งของกรรมที่เป็นกิเลสกรรมที่เป็นกิเลสนั่นเล่า ก็ตั้งอยู่ในตัวเราที่เป็นตัวพบดังกล่าวแล้วและตัวเราที่เป็นตัวพบดังกล่าวแล้วนั้นก็เลยกล่าวแล้วว่าก็เป็นกรรมชนิดที่ละเอียดเป็นตัวมโนกรรมคือที่จิตนี้เอง สร้างขึ้นมากระทาขึ้นมาโดยอำนาจของอุบาสฐานคือความยึดถือเพราะฉะนั้นยังเรียกว่าอาหารการก็คือว่ากรรมนี้เองกระทาให้เป็น การกระทำให้เป็นเราขึ้นมานี่เรียกว่าอาหารการคำนี้บางทีเราพูดถึงกันื่อคนนั้นมีอาหางการมากคนนี้มีอาหางการมากที่มีความหมายถึงความที่ทนองตัวยกตัวถือตัวเป็นต้น ต, ตามสับนั่นแปลว่าการทําให้เป็นเราการสร้างให้เป็นเราซึ่งการทําให้เป็นเราการสร้างให้เป็นเรานี่คือตัวกรรมนั่นเองและตัวกรรมนี้เองก็เป็นกรรมมพบดังกล่าวมาแล้วมีอยู่ในจิตใจที่เป็นปัจจุบันนี่แหละ สร้างให้เป็นอาหางการขึ้นมาทําให้เป็นเราขึ้นมาและเมื่อสร้างให้เป็นอาหารการให้เป็นเราขึ้นมาแล้วดังนี้ก็มีมะมังการตามมาคาว่ามะมังการนั้นแปลว่าทําให้เป็นของเรา สืบเรื่องมาจากอาหางการเมื่อมีการทำให้เป็นเราขึ้นมาก็มีการทำให้เป็นของเราขึ้นมาเพราะเมื่อมีเราก็ต้องมีของเราดังนี้ก็เป็นกรรมภพซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันการทำให้เป็นเราสร้างเราสร้างของเราขึ้นมา เรียกควบกันว่าอาหารการมังการมามกอะไรเป็นของเราของเราที่เป็นของเราตามในพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่ากรรมมัตสกมิเรามีกรรมเป็นของของเรา กรรมดายาโนเรามีกรรมเป็นทายาทคือต้องรับผลของกรรมเป็นต้นก็คือกรรมนี้เองเป็นของเราการสร้างให้เป็นเราขึ้นมาเป็นมนโนกรรมอันละเอียด และเมื่อเป็นมโนกรรมคือเป็นกรรมขึ้นมากรรมอันนี้เองกรรมอันนี้เองก็เป็นของเราเพื่อจะต่ออุป ป, ปัตติคือเข้าถึงชาติต่อไปและนอกจากนี้เมื่อสร้างให้เป็นเราขึ้นมา เราก็ไปประกอบกรรมต่างๆทางกายทางวาจาทางใจดีบ้างชั่วบ้างกรรมที่ประกอบต่างๆเหล่านี้ก็เป็นของของเราอีกนั่นแหละซึ่งจะต้องไปเสวยผลต่อไป จึงได้มีพระพุทธภาสิทธตรัเอาไว้ว่ายังกรรมังกริสามิกลยานังวา ป, าปะปังวาเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วตัดสดาญาโนภวิสามิเราจะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นดังนี้และ เมื่อสร้างเราขึ้นมาและเราที่สร้างขึ้นมานี่ก็ท่องเที่ยวไปในกามดังกล่าวติดอยู่ในกามดังกล่าว ก็ชื่อว่าเป็นกามาพบแต่ว่าพึงเข้าใจว่าที่กล่าวว่ากามาคุณกาา ม, มีคุณเป็นที่ตั้งของปีติสมรั ด, ดังกล่าวนั้นหาใช่มีคุณอย่างเดียวไม่ดังมีโทษ อันเรียกว่ากามาทีนบโทษของกรรมซึ่งพระพุทธเจา้าได้ตรัสแสดงชี้แจงอาทีนบคือโทษของกรรมไม่เป็นอันมากจะีตรัสไว้ด้วยว่ากรรมนี้ให้เกิดสุขโสมนัสอันเป็นส่วนขุนนั้นน้อย แต่ว่ามีอาทีนอบคือโทษนั้นมากพิจารณาดูพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าทุกๆคนนั้นต้องมีทั้งราคะมีทั้งโทสะมีทั้งโมหะ ถ้าวากามมีคุณโดยส่วนเดียวแล้วก็มีแต่ที่จะยินดีเพลิดเพลินสนุกสนานกันไปโดยส่วนเดียวแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่บางทีก็สมปรารถนาได้ตามต้องการบางทีก็ไม่สมปรารถนา และมีเหตุขัดข้องต่างๆจึงต้องมีโทสะความโกรธแค้นขัดเคินในเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการตามที่รักใคร่ปรารถนาแต่ไปได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการไม่รักใคร่ไม่ปรารถนาและยังมีความหลงติดอยู่ ทั้งข้อที่ว่ามีสุขสมณัตน้อยแต่ว่ามีทุกข์ทษมากนั้นพิจารณาดูแล้วก็จะพึงเห็นได้ดว่ความสุขสมณัสที่ได้จากกามนั้นเป็นการได้ อย่างผิวเผินยกตัวอย่างที่เห็นง่ายเช่นว่ารถที่น่ารักไร้ปราถนาพอใจกินรถอาหารอันทำให้บุคคลติดในรถอาหาร ต้องการอาหารที่มีรสที่ต้องการหรือว่าความอร่อยที่ได้จากรสอาหารนั้นก็อร่อยอยู่แค่ลิ้นเมื่อนำเข้าปากลิ้นก็ได้ทราบรส รสที่อร่อยที่น่ารักแค่ปรารถนาพอใจแต่ครั้นล่วงลาคอลงไปแล้วรสที่อร่อยนั่นก็หมดไปทันทีเรียกว่าอร่อยอยู่แค่ลิ้นรสที่ว่าอร่อยนักหนาอยู่แค่ลิ้นเท่านั้นหาได้อร่อยลงไปลึกซึ้งไหม พิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าแม้รูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทด่เห็นทางตาก็แค่ตาเสียงที่ว่าไพเราะเพราะเพลงก็แค่หูกลิ่นก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ถูกต้องทางกายก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นความสุขสมนัสทั้งปวงที่ได้จากการมคุณนั้นจึงได้ในขั้นผิวเผินเช่นใดรถอร่อยแค่ลิ้นแล้วก็หายไปหมดไปก็ได้เท่านั้นแต่วันทุกโทษที่ตามมานั้นมีมาก ยิ่งมีความหลงติดอยู่ในส่วนที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็ต้องมีทุกข์มีโทษมากบุคคลที่ต้องประกอบอกุศลกรรมทั้งหลายต้องละเมิดศีลทั้งหลายก็เพราะเหตุที่หลงติดอยู่ ในรถของกามหรือในสุขโสมนัสของกามในขั้นผิวเผินดังกล่าวมานี้ทั้งนั้นทำให้ต้องแสวงหาต่างๆแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผล ภ, ภัพต่างๆอันปรากฏเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไร เป็นสิ่งต่างๆเป็นบุคคลต่างๆร่นหลงอยู่ในสุสขสมโสมนัสเพียงชั่วเล่นแค่ผิวเผินและเพราะเหตุที่สุขโสมนัสนั้นตั้งอยู่เพียงแค่ผิวเผินชั่วเล่น จึงต้องบริโภคสิ่งที่เรียกว่ากามกันบ่อยๆเพราะเมื่อบริโภคแล้วสุขสมนัสนั้นชั่วแล่นก็หายไปก็ต้องบริโภคกันใหม่แล้วก็หายไปต้องบริโภคกันใหม่ดังนี้ไม่สิ้นสุดทั้งยังหาอาจที่จะได้สมประสงค์ไปทุกสิ่งทุกประการไม่ ทั้งจะต้องมีความพัดพรากสิ่งที่เป็นภูบริโภคคือตาหูจมูกลิ่นกายของตนเองก็ต้องเสื่อมตรงแชมพูสุดสมเพราะอันที่จริงนั้นสิ่งที่เป็นภูบริโภคนั้น ก็คือตานี้เองหูนี้เองจมูกนี้เองกลิ่นนี้เองกายนี้เองเจนว่าอร่อยก็แค่ลิ้นลิ้นนั่นเองอร่อยแต่พอใจไปหลงหลงรับเอาความทราบของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของผลิตมาเป็นของจิตใจจิตใจหลงติดรับเอา ไปอร่อยอยู่ในใจที่จริงอร่อยอยู่แค่ลิ้นไม่ใช่อร่อยที่จิตใจแต่ว่าจิตใจไปหลงยึดเอาความอร่อยของลิ้นมาเป็นอร่อยที่จิตใจจึงทำให้จิตใจนี่เพิ่มตัวกามที่เป็นกิเลสความใคร่ความปรารถนาต้องการมากขึ้นต้องการพัดสุดสดูุรกาม ต้องการกรรมมาคุณต่างๆมากขึ้นท่านจึงว่าความอิ่มด้วยตัณหานั้นไม่มีหรือความอิ่มด้วยกรรมนั้นไม่มีเพราะว่าจิตใจนี้เองไม่มีอิ่มไม่มีพอ ในส่วนของตาหูจมูกเิ่นกายใจเองนั่นมีอิ่มมีพอเจนวาตาต้องการให้ดูรูปที่นารักใคร่ปรารถนาพอใจตาก็ดูอยู่ได้เท่าที่สามารถจะดูได้นานเกินไปตาก็ไม่สามารถจะดูได้แต่ใจก็ยังไม่อิ่มไม่พอขืนให้ดูอยู่นั่นแหละ จนถึงกระตาเองก็ต้องบอบทําลาบากหูก็เหมือนกันฟังเสียงที่น่าไพเราะน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายหูเองฟังนานๆไปก็ไม่ไหวเหมือนกันจมูกต้องการกลิ่นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจหายอยู่บ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันลินก็เหมือนกัน แล้วรอยลิ้นแล้วก็อ่ะลอยอยู่เรื่อยๆไปลิ้นก็ทนไม่ไหวเหมือนกันท้องก็ทนไม่ไหวกายก็เหมือนกันถูกต้องสิ่งที่น่าราักใคร่ปรารถนาพอใจเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันแปล ว, ว่าตัวของตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองมีพออย่างอาหารที่บริโภคแล้วก็อิ่มมีอิ่ม เรียกว่าตามตาก็มีอิ่มหูก็มีอิ่มจมูกก็มีอิ่มเล่นก็มีอิ่มกายก็มีอิ่มคือมีพอแต่ใจนี่เองที่เป็นตัวไม่พอไม่มีอิ่มไม่มีเต็มคนจึงต้องประพึ่งทุจริตต่างๆเพราะกามนี่แหละผิดศีลกันได้ต่างๆเพราะกามนี่แหละ ต้องสร้างบาปสร้างอกุศลกรรมมันต่างๆขาฟันอะไรกันไปนวดเบ่กงกันต่างก็เพราะกรรมนี่แหละวุ่นวายกันไปก็เพราะการมนี่แหละแต่เพราะใจนี่แหละที่เป็นตัวกรรมมาพบสร้างตัวเราขึ้นมาแล้วตัวเรานี่เองก็ท่องเที่ยวไปในกรรมแล้วก็ใจนี่เองไม่อิ่มไม่พอใน ก, รรมกนามเพราะฉะนั้นพระพุทธเ จ, จ้าจึงตรัสว่า มีคุณน้อยให้สุขสมนัตน้อยแต่มีโทษมากยังได้ทรงแสดงการมาทินกโทษของกรรมแต่ก็ยากที่บุคคลจะเข้าใจจะมองเห็นได้เพราะว่ามีความติดอยู่มากมีมุ่งหลงอยู่มากนี่แหละ เป็นการมาพบซึ่งมันเป็นการมาพบแล้วก็เป็นอุบัติพบคือให้เข้าถึงให้เขา้เขาถึงชาติที่เป็นการมาผจรทั้งหลายตามกรรมที่กระทาไว้เมื่อเป็นบาปกรรมก็เข้าถึงชาติของสัตว์ในแดนฉาน ชาติของสัตว์นรกของเปรตของอสูรกายถ้าเป็นกรรมดีก็เข้าถึงชาติของมนุษย์ของเทพที่เพ็นันกลามาผจรยังท่องเที่ยวอยู่ในการรมเดยกันแล้ ว, ว่าเป็นฝ่ายกุศลถ้าฝ่ายอกุศลก็ไปในทางทุคติถ้าฝ่ายดีก็ไปสุคติ เพราะตัวการมมาพบในปัจจุบันคือใจของเรานี่แหละที่เป็นตัวการมใจของเราที่สร้างตัวเราขึ้นมาแล้วตัวเราขึ้นมาก็ท่องเที่ยวในการมซึงเป็นตัวโมโนกรรมซึ่งเป็นของเราและยังไปสร้างกรรมต่างๆทางกายทางวาจาทางใจถ้าดีก็ดีไปถ้าชั่วก็ชั่วไปตามแต่ดีหรือชั่วไปสุคติ ไปทุกติคือเข้าถึงชาติที่เป็นสุกติหรือเข้าถึงชาติที่เป็นทุกติตามกรรมที่ดีหรือชั่วที่เด็กระทําเอาไว้อเปินขั้นกรรมมารจรด้วยกันนี่แหละคือกา ม, มาพบองค์ปฏิภพที่เป็นขั้นกามที่ผูที่ได้เห็นโทษของกามดังกล่าวนี้ จึงได้ดำบำเพ็ญในคข ม, มะคือออกจากกรรมตั้งตนใ่การปฏิบัติในศีลปฏิบัติในสมาธิจิตสงบจากกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยการที่ตั้งจิตไว้ในรูปกรรมฐานกรรมฐานที่เป็นมีรูปเป็นอารมณ์ ก็เป็นจิตลึบที่ที่ละเอียดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งและเป็นภพคือเป็นตัวเราที่ท่องเที่ยวไปในรูปสมาธิในรูปกรรมฐานเป็นรูปปาพจรก็เป็นกรรมภพขึ้นในจิตใจ ก็เป็นอุค์ปฏิภพให้เข้าถึงชาติที่เป็นรูปประพรมและเมื่อได้ปฏิบัติในศีลในสมาธิที่สูงขึ้นไปกว่ารูปประกรรมฐานปฏิบัติในอรูปประกรรมฐานไม่มีรูป ภพของจิตก็เลื่อนขึ้นอีกชั้นหนึ่งเป็นอรูปภพก็เป็นกรรมภพเป็นอุปัฏิภพที่เป็นอรูปที่ท่องเที่ยวไปในอรูปก็ให้เข้าถึงชาติรูปภปพแต่ว่าก็ยังเป็นภพอยู่นั่นเองคือยังมีตัวเรา มีของเรามีอาหางการ ม, ามังการที่เป็นกามาพบนั้นก็มีอาหางการ ม, ามังการที่ท่องเที่ยวไปในกามทั้งที่เป็นฝ่ายสุขติทั้งที่เป็นฝ่ายทุ ก, กติที่เป็นรูปภพนั้นก็มีอาหางการ ม, ามังการที่ท่องเที่ยวไปในรูปปัส ม, มาธิรูปปัส ม, มบาบัต ที่เป็นอรูปภพก็มีอาหางการ ม, มังการที่ท่องเที่ยวไปในอรู ป, ปรกรรมฐานอารู ป, ปรสมาบัติก็แปลว่ายังมีตัวเราของเราเพราะแม้ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นกรรมบาปหรือบุญที่กระทํา ในขั้นกามาผจรก็เป็นกรรมรูปปัฏสมาธิรูปปส ม, ปปสมบัติก็เป็นกรรมแลนะรูปปสมาธิอนะรูปปัฏฐสมาบัติก็ยังเป็นกรรมยึงยังเป็นกรรมมาพบเป็นอุปา ป, ปิพบเข้าถึงชาติคือความเกิดยังไม่พ้นชาติคือความเกิดเพราะยังมีภพดังกล่าว พบและชาติดังกล่าวมานี่อาจพิจารณาเห็นได้ในปัจจุบันว่ามีพบมีชาติในปัจจุบันทันทีต่อเรื่องกันไปเมื่อสร้างตัวเราของเราขึ้นอันเป็นมนโนกรรม เป็นกรรมภพตัวเรานี่ก็เข้าถึงชาติคือความเกิดเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาทันทีตามที่สร้าง เป็นต้นว่าเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นคนดีเป็นคนชั่วเมื่อตัวเราที่เราสร้างขึ้นเมื่อตัวเราที่ที่สร้างขึ้นเป็นอาหางการ นี่เป็นกรรมพรมพบก็เป็นโอปติพบเข้าถึงคือเป็นตัวเราขึ้นทันทีเกิดเป็นตัวเราขึ้นทันทีคือสร้างตัวเราก็เกิดเป็นตัวเราขึ้นทันทีเปรียบเหมือนอย่างว่าเอาทัพสพสมภาระต่าง มาสร้างบ้าน